วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านได้ตั้งใจมาวัดด้วยความตระหนัก ในศสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตของพวกเราก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปทุกวันวันเวลาเป็นของที่ไม่หยุดยัง้งมันเปลี่ยนไปทุกวันเมื่อวานนี้เป็นเดือนกันยายนวันนี้เป็นเดือนตุลาคม เป็นวันที่หนึ่งเดี๋ยววันที่หนึ่งก็จะหมดไปวันที่สองก็จะตามมาชีวิตของพวกเราก็จะสั้นลงสั้นลงตามเวลาที่พัดผ่านไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธเราไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท ให้เตือนตอนเองถามตนเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังสร้างบุญสร้างกุศลกันหรือไม่เพราะบุญกุศลนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อจิตใจ ของพวกเราเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเวลาที่เราไม่มีร่างกายนี้เราต้องอาศัยบุญกุศลเป็นเครื่องนำความสุขมาให้กับเราตอนนี้เรามีชีวิตอยู่เรามีร่างกายเราสามารถใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้หาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้กับเราได้แต่ต่อไปร่างกายเราก็จะแก่ลงแก่ลงแล้วก็จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะเกิดความตายตามมาต่อไป ความสามารถในการหาความสุขให้กับเราผ่านทางร่างกายก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจเราจะเป็นดวงวิญญาณที่ท่องอยู่ในโลกทิศ จำเป็นที่จะต้องมีบุญกุศลซึ่งเป็นเหมือนกับเงินตราที่เราใช้เวลาที่เราออกเดินทางไปนอกประเทศเช่นถ้าเราจะไปต่างประเทศเราต้องเปลี่ยนเงินตราของประเทศที่เราจะเดินทางไปกันเพราะจะได้สะดวกในการที่จะใช้จ่ายซื้อของสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ เช่นที่ภากอาศัยอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมเงินตราต่างประเทศไปเราอาจจะไม่สามารถที่จะจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของต่างๆได้อย่างสะดวกง่ายได้ ทันใดเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วนี่ใจของพวกเราก็เป็นเหมือนออกจากโลกนี้ไปโลกที่เราใช้เงินทองใช้ลาบยศสารเสริญสุขใช้ตาหูจมูกลิ้นกายหาซื้อความสุขต่างๆให้กับเราพอเราออกจากโลกนี้ไปเราก็ไม่สามารถใช้ เงินทองราบยศเสริญที่เรามีกันนี้เอาติดตัวกับเราไปได้อันนี้ยังยังต่างจากเวลาเดินทางเดินทางต่างประเทศเรายังสามารถเอาเงินบาทไปได้แล้วเอาไปแลกเปลี่ยนต่อไปได้แต่เรื่องของโลกทิพย์นี้เราไม่สามารถเอาเงินทอง ไม่สามารถเอาลาบยศสรเสริญสุขที่เรามีอยู่ในขณะนี้เอาไปติดตัวกับเราไปได้เราจำเป็นที่จะต้องใช้การเปลี่ยนเงินตราจากเงินทองเข้าของต่างๆที่เราใช้ในการบำรุงบำเรอความสุขให้กับเราเราต้องเอาเงินส่วนนี้ มาเปลี่ยนเป็นบุญเป็นกุศลถึงจะสามารถเอาบุญเอากุศลติดตัวไปได้บุญกุศลนี้ก็เป็นเงินตราต่างประเทศถ้ามีเงินดอนมีเงินเยนเงินที่เราสามารถใช้ในต่างประเทศได้มันก็จะสะดวกง่ายได้จะไม่อัตคัดขัดสนจะไม่ตกทุกข์ยากลาบาก เพราะเรามีเงินไว้ใช้จ่ายในสิ่งต่างๆที่จเป็นที่เราจำเป็นจะต้องมีพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนชาวพุทธเราผู้ที่มีความตนัดในสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าชีวิตของเรานี้มันกำลังเดินทางเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บไข้ ได้ป่วยและเข้าสู่ความตายด้วยกันทุกคนแม้ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่คนหนุ่มคนสาวคนแก่ก็เป็นผู้เดินทางบนทางเดียวกันนี้และอาจจะถึงจุดหมายปลายทางเร็วกว่ากันก็ได้อย่าไปคิดว่าเราเป็นเด็กเราเป็นคนหนุ่มคนสาวเราจะไปถึงความแก่ ความเจ็บความตายเช้ากับคนที่เป็นคนแก่บางทีคนที่อายุไม่มากก็เจ็บไข้ได้ป่วยได้และถึงแก่ความตายได้ดังนั้นอยากประมาทขอให้เราคิดว่าความเจ็บความตายนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้อย่างไม่คาดฝันก็มี เราคงจะเห็นข่าวาวต่างๆที่ปรากฏขึ้นในแต่ละวันมีคนเจ็บคนตายกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งมีทั้งคนหนุ่มคนสาวมีทั้งคนแก่เราก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นก็ได้ให้คิดอย่างนี้ไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจอย่าไปคิดว่าโอ้ยเรายัางมีอายุน้อยอยู่ เรายังมีเวลาอยู่ไปได้อีกนานตอนนี้ขอหาสะสมราบยกส ะ, ะเสญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปก่อนไปรอตอนแก่ตอนใกล้จะตายแล้วค่อยเข้าวัดไปทำบุญกันถ้าคิดอย่างนี้แล้วถือว่าประมาทเพราะถ้ารอให้ถึงวันแก่วันใกล้จะตายเวลานั้นมันก็จะทำไม่ไหว เมื่อเช้ามียายคนหนึ่งมาหาเดินเองก็เดินไม่ได้ต้องให้ลูกหลานจูงมาประคองมาอยากจะมาทําบุญนตอนที่เดินได้ตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวกันนี้ไม่ยอมเดินเข้าวัดกันชอบเดินเข้าบาร์เข้าผับกันเดินเข้าตามโรงมอหอสาศตามศูนย์การค้าต่างๆ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแต่พอเวลาเดินไม่ได้แล้วทีนี้อยากจะเข้าวัดแล้วเข้าวัดเองก็ไม่ได้ต้องอาศัยลูกหลานประทับประครองมาเข้ามาก็เข้ามาอย่างทุลักทุเลตอนนั้นมันไม่ทำอะไรไม่ได้ไม่ค่อยได้แล้วร่างกายไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มาก ทำได้แค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนี่อย่าไปคิดว่าตอนนี้เรามีเวลาเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวเราสามารถที่จะอรอให้แก่ได้รอให้เจ็บก่อนแต่ความเจ็บความตายนี้มันไม่รอใครมันไม่บอกใครด้วยว่ามันจะเยี่ยมมาเยี่ยมเยยนกันเมื่อไหร่ ถึงเวลามันจะมามันก็โผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทกันเราต้องเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆดังที่พทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาอยู่เนืองๆว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความตายไปไม่ได้เรามีการพลดพลาดจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากการพัดพราดจากกันไปไม่ได้ให้หมั่นระลึกความจริงเหล่านี้อยู่บ่อยๆ อยู่ทุกวันไม่ใช่งานทีเปย์หนเวลาไปงานศพทีก็นึกขึ้นมาได้ทีโอ้ยเพื่อเราตายแล้วเดี๋ยวเราเขาคงจะต้องตามเขาไปเสียแล้วตอนนั้นเวลาอันมีค่าอาจจะสูญหายไปเอาไปใช้กับการหารามยศรเสิรินศพกันจนลืมไปว่าเวลาของเรานี้ใกล้จะหมดลงแล้ว เราต้องเวลาที่จะมาสร้างบุญสร้างกุศลนี้มันมีน้อยลงไปแล้วบุญกุศลนี้ต้องพยายามสร้างทุกวันให้มันเป็นนิสัยเราจะได้ทำอย่างต่อเนื่องถ้าเรานานๆานานทำทีจะทำยากและทำได้น้อยมากนานานเข้าวัดที วันเกิดปีหนึ่งเข้าวัดสักครั้งไปทำบุญครั้งหนึ่งวันปีใหม่ครั้งหนึ่งถ้าอย่างนี้บุญที่เราสะสมนี้จะมีน้อยมากไม่พอกับความต้องการของดวงวิญญาณเวลาที่จากร่างนี้ไปฉนั้นเราต้องพยายามระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตาย ความพัดทาจากกันอยู่เรื่อยๆเพื่อจะเตือนเราไม่ให้ประมาทและถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังสร้างบุญสร้างกุศลสร้างเงินตราต่างประเทศเพื่อเอาติดตัวไปกับเราหรือไม่ถ้าไม่มีเงินตราต่างประเทศ ไปเราก็อาจจะไปอยู่แบบขอทานขอทานดวงวิญญาณดวงวิญญาณขอทานทางดวงวิ ญ, ญญาณนี่คืออะไรก็คือพวกเปรตนี่พวกที่ขณะมีชีวิตอยู่ไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญทำทานเอาวแต่หาเงินหาทองหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ตลอดเวลา พอเวลาตายไปสมบัติที่หามาได้แม้จะมีเป็นร้อยล้านพันล้านก็เอาติดตัวไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวจึงทำให้เศรษฐีทางโลกนี้อาจจะกลายเป็นขอทานทางจิตวิญญาณก็ได้พวกที่ร่ำรวยมาหาศาลพวกที่ไม่เชื่อบุญเชื่อกุศลพวกที่คิดว่าตายแล้วศูนย์เนี่ย พวกนี้นะมีโอกาสที่จะไปเกิดเป็นเปรดได้อย่างมากทีเดียวเพราะเมื่อไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลไม่เชื่อเรื่องการการไปเกิดใหม่การการไม่ได้ตายของดวงจิตดวงใจก็จะไม่สนใจที่จะทำอะไรให้แก่ดวงวิญญาณของตนเองเพราะคิดว่าเมื่อตายไปแล้วใครล่ะ จะไปเกิดใหม่ใครล่ะจะไปอยู่ในโลกทิตเนเพราะเห็นแต่เพียงร่างกายเพียงส่วนเดียวร่างกายที่เห็นก็เห็นว่าเมื่อตายไปเขาก็เอาไปเผ า, าไปฝังเท่านั้นเองแล้วใครจะไปรับบุญรับกุศลที่ได้ทําเอาไว้อันนี้เพราะขาดสัมมาทิฏฐิขาดปัญญาไม่รู้ว่าชีวิตของเรานี้ มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือมีร่างกายและมีจิตใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายร่างกายนี้เป็นของที่ต้องตายอันนี้ทุกคนรู้กันหมดไม่มีใครปฏิเสธได้แต่อีกส่วนอย่างนี้เป็นส่วนที่มองไม่เห็นกันตาของร่างกายนี้ไม่สามารถมองเห็นใจเห็นดวงวิญญาณได้ ผู้ที่อยากเห็นดวงวิญญาณเห็นใจได้ก็คือใจนี้เท่านั้นเองใจนี้แหละจะเป็นผู้ที่เห็นตนเองได้เห็นดวงวิญญาณได้แต่ต้องปิดตานอกก่อนถ้าเปิดตานอกคือเปิดตาร่างกายก็จะไม่เห็นตาในากันไม่เห็นใจไม่เห็นดวงวิญญาณของตนเอง ถ้าอยากจะเห็นดวงวิญญาณของตนเองเห็นว่าอีกส่วนหนึ่งของตนนี้มีอยู่เพียงแต่ว่าใช้ตาของร่างกายดูไม่ได้ตาของร่างกายมีไว้ดูร่างกายของคนอื่นได้แต่ไม่สามารถดูใจของตนเองได้การที่จะดูเห็นใจของตนได้นี้ต้องใช้การปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนา คือต้องภาวนาทำจิตให้สงบให้จิตแยกจากร่างกายชั่วคราวขอ่อนเวลาจิตแยกออกจากร่างกายชั่วคราวร่างกายจะหายไปจากความรับรู้ของจิตทันทีแล้วจะเหลือแต่ส่วนที่อยู่ก็คือตัวรับรู้นี่เองตัวรู้ตัวตัวรู้ตัวที่คิดแต่ หยุดคิดแล้วเหลือแต่ตัวรู้รวนๆถึงจะเห็นตัวจิตตัวดวงวิญญาณว่าอ๋อตัวนี้แหละที่เวลาร่างกายตายไปแล้วไอ้ตัวนี้แหละมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายไอ้ตัวนี้แหละมันยังมันจะต้องอาศัยบุญอาศัยกุศลเป็นที่พึ่งอาศัยหลังที่พระเจ้าทรงตัดไว้ในกฎแห่งกรรมว่าเรากรรมเป็นที่พึ่งอาศัย จะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีคือบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญหรือบาปที่ได้กระทำไว้ถ้าทำบุญก็จะได้รับผลคือความสุขถ้าทำบาปก็จะได้รับผลคือความทุกข์ใจอันนี้แหละจะเห็นจะเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม ท, ทันทีจะรู้ว่าเวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว ใครจะเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปอันนี้ตอนนี้ถ้ายังไม่สามารถปิดตานอกแล้วเปิดตาในาเพื่อให้เห็นดวงวิญญาณเห็นจิตใจของตนได้ก็ต้องอาศัยผู้ที่เขาเห็นมาก่อนผู้ที่เห็นมาก่อนก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเหล่านี้ท่านรู้จักวิธีปิดตานอก แล้วก็เปิดตาในทําให้สามารถเห็นดวงวิญญาณเห็นจิตเห็นใจของตนและของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนจะไม่ลังเลสงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมจะไม่ลังเลว่าบุญและบาปนี้มีคุณมีโทษ ต, ต่อจิตใจอย่างไรอันนี้ถ้าไม่เข้าหาผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอริยสงสาวกแล้ว ก็จะไม่มีใครสามารถบอกได้ว่านอกจากร่างกายนี้ยังมีจิตใจอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเป็นส่วนที่จะต้องอาศัยบุญกุศลเวลาที่ไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วก็ต้องอาศัยบุญกุศลนี่แหละที่เป็นตัวที่จะป้อนความสุข ให้กับใจในขณะที่อยู่ในโลกทิพย์หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารโกทั้งหลายมองเห็นกันจึงทำให้ท่านนี้ไม่ทำอะไรเลยนอกจากสร้างบุญสร้างกุศลกันชีวิตของท่านแต่ละคนก็มีประวัติที่งดงามเป็นคนที่มีฐานะก็มาก พระพุทธเจ้าก็เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราช ป, ปุมานมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมายกายกองแต่หลังจากที่ได้มีโอกาสทำใจให้สงบก็สามารถเห็นใจของตนเองได้แล้วพอเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลยทำให้ท่าน เห็นความสำคัญในการสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่จิตใจเพราะบุญกุศลเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของจิตใจได้ที่จะให้ความสุขกับจิตใจได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้ไม่สามารถให้ความสุขกับใจได้เวลาที่ไม่มีร่างกายจึงท่านจึง มุ่งเน้นไปการสร้างสะสมบุญกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมเพื่อที่เวลาที่ท่านตายไปแล้วท่านจะได้เป็นเศรษฐีดวงวิญญาณเศรษฐีในทางจิตวิญญาณไม่ใช่ไปเป็นขอทานในทางจิตวิญญาณบางคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินมีทางมากมายคิดว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับตนแล้วก็จะหมดสิ้นเมื่อเวลาตายไปก็เลยไม่ใช้เงินใช้ทางไปแลกเปลี่ยนบุญกุศลใช้เงินกุศลเพื่อให้ความสุขกับตนไปแต่พอเวลาตายไปไม่มีบุญกุศลติดตัวไปเลยแนมะ้แต่นิดเดียวก็จะเปลี่ยนสถานภาพจาก เศรษฐีมากลายเป็นขอทานไปนเวลาที่พวกเราทำบุญและอุทิศบุญส่วนกุศลนี้เราก็อุทิศบุญให้กับพวกขอทานเหล่านี้เพราะเวลาเขาเป็นเศรษฐีเขาไม่เชื่อว่าเขาจะกลายเป็นดวงวิญญาณสักวันหนึ่งและจะต้องอาศัยบุญกุศลเป็นเครื่องให้ความสุขกับเขา mm hmm. พอเขาเป็นดวงวิญญาณขึ้นมาจริงๆก็หิวโหวยไม่มี ไม่มีความสุขไม่สามารถซื้อของจำเป็นต่างๆมาบำรุงบำเรอให้กับดวงวิญญาณได้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปเล่ร่อนขอทานตามแหล่งต่างๆตามวัดตามวาตามสถานที่ที่มีคนทำบุญและมีการอุทิศบุญกุศลกันอันนี้สาเหตุเกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญาคนที่ ไม่เคยได้ศึกษาเพราะทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่เห็นความสำคัญของบุญกุศลจะไม่รู้ว่าตอนเองจะต้องอาศัยบุญกุศลในวันข้างหน้าเวลาที่ร่างกายของตอนเองตายไปแล้วจังเป็นเป็นเศรษฐีในขณะที่มีร่างกายแล้วกลายเป็นขอทานในขณะที่เป็นดวงวิญญาณ มันเช้านี้ก็มีคนขับรถอุตสาตื่นแต่เช้ามาใส่รถแต่เจ้านายนอนครอกครอกไม่สนใจกับเรื่องการทำบุญทาทานหาความสุขจากการหลับนอนหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองแต่คนขับรถนี่เชื่อเรื่องของการเป็นดวงวิญญาณหลังจากที่ตายไปแล้วอุตสาตื่นแต่เช้าขึ้นมา ขับรถมาใส่บาตแต่เจ้านายไม่ยังไม่ตื่นเจ้านายไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความสําคัญของการทําบุญทําทานต่อไปเดี๋ยวจะสลับฉากกันเวลาตายไปคนขับรถจะกลายเป็นเศรษฐีทางจิตวิญญาณส่วนเจ้านายจะกลายเป็นขอทานทางจิตวิญญาณอันนี้เป็นหลักความจริงไม่ได้ามาพูดเล่น พูดตามหลักความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้พวกที่เป็นเจ้านายทั่วันเนี่ยพวกที่ขี้เกียจทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลพวกที่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยเดี๋ยวตายไปจะไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณกันส่วนพวกคนรับใช้ที่เชื่อบุญช่วยกุศลถึงแม้มีเงินเดือนไม่กี่ตังค์ยังสามารถแบ่งเงินมาทําบุญทําทานได้อยู่พวกนี้แหละจะเป็นเศรษฐีต่อไปสลับกันสลับฉากกัน เจ้านายก็จะไปเป็นขอทานลูกน้องก็จะไปเป็นเศรษฐีทางดวงวิญญาณเเศรษฐีทางดวงวิญญาณเราก็เรียกว่าพว ก, กเทพนี่พวกเทวดาทั้งหลายที่มีบุญกุศลหล่อเลี้ยงดวงวิญญาณให้มีแต่ความสุขตลอดเวลาส่วนพวกที่ไม่สร้างบุญสร้างกุศลในขณะมีชีวิตอยู่ก็คิดว่าตายแล้วศูนย บุญกุศลทําไปก็ไม่สามารถไม่มีใครไปรับเพราะร่างกายตายไปแล้วเมื่อร่างกายตายไปแล้วชีวิตก็ถือว่าจบชีวิตของเขาสูนแล้วเมื่อสูนแล้วจะทําไปให้เสียดะเสียเงินเสียทองไปทําไมเอามาใช้ไม่ดีกว่าเลยเอามาซื้อของต่างๆที่อยากจะซื้อเอามาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่เราอยากจะเที่ยวเอามากินมาดืม่มของที่อยากกินอยากดืม่มไม่ดีกว่าแล้ว นี่คือกำไรของชีวิตอุตส่าห์ทำงานมาแทบเป็นททาตายก็ต้องเอาเงินตายได้นี้มาใช้ให้มันได้กำไรด้วยการใช้เงินใช้ทองไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายไปเรื่อยๆไม่ให้ความสำคัญไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องกุศลเลยนี่แหละคือเรื่องของการไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีปัญญา พรไม่ได้ศึกษาจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวก<ม>ก็เลยไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่เห็นว่าตอนเองนั้นไม่ได้เป็นร่างกาย<ม>ตอนเองเป็นดวงวิญญาณดวงจิตที่มาใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเท่านั้นเองใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความต้องการของใจแต่มองไม่เห็นตัวใจตัวใจคืออะไรก็ตัวคิดนี่แหละก่อนที่เราจะให้ร่างกายทำอะไรได้เราต้องคิดก่อนเช่นวันนี้ก็ต้องคิดว่าจะมาวัดพอคิดว่าจะมาวัดพอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายขึ้นรถขับรถมานั่งรถมาก็มาวัดกันได้ ร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้รอรับคำสั่งจากใจผู้รู้ผู้คิดนี่ผู้รู้ผู้คิดกับร่างกายไม่ได้เป็นตัวเดียวกันอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายวิเคราะห์กันพวกแพทย์ทั้งหลายวิเคราะห์ว่าผู้รู้ผู้คิดอยู่ในสมองเวลาที่ตายไปร่างกายตายไปผู้รู้ผู้คิดก็ตายไปด้วย อันนี้เขาวิเคราะห์ไปตามที่เขาสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเขาไม่ได้เปิดตาในดูความจริงนั่นเองเขาดูดูใจด้วยตาของร่างกายก็เลยไปเห็นว่าอยู่ที่สมองแล้วก็คิดว่าเวลาที่สมองตายปับ๊บผู้รู้ผู้คิดก็ตายไปด้วยอันนี้เพราะว่าเป็นการมอง ใช้เครื่องมองที่ที่หยาบไม่สามารถมองเห็นส่วนที่ละเอียดได้ตานอกนี้เป็นตาหยาบเห็นแต่ของหยาบอยาบเช่นร่างกายเห็นอวัยวะต่างๆของร่างกายได้แต่ไม่สามารถเห็นดวงจิตดวงใจได้การจะเห็นดวงจิตดวงใจนี้ต้องใช้ตาที่ละเอียดกว่าต้องเป็นตาในตาในจะเกิดขึ้นได้จะลืมขึ้นมาได้ก็ต้องหลับตา แล้วก็ทำใจให้สงบหยุดคิดให้ได้ถ้าใจหยุดคิดใจรวมเป็นหนึ่งแยกออกจากร่างกายได้ก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่านอกเหนือจากร่างกายไปแล้วนี้ยังมีใจอีกส่วนหนึ่งอันนี้แหละจึงจะเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิอย่างถูกต้องถ้ายังไม่มีก็ต้องอาศัยให้เชื่อให้มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหลอกรับประกันได้มีการหลอกลวงกันอยู่อย่างมโหลานทุกวันนี้ถูกหลอกเสียเงินเป็นลาน้านเป็นร้อยล้านกันพันล้านกันยอมเสียได้แต่พระพูดพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่ไม่หลอกเอาเงินเราแม้แต่บาทเดียวบอกความจริงให้กับเราโดยที่ไม่เรียกร้างข้อตอบแทนแม้แต่บาทเดียวทำไมจะไม่เชื่อกัน และคนที่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาตลอดระยะเวลาต้อง 2,500 กว่าปีนี้ก็ไม่มีใครมาประกาศมาบอกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้หลอกลวงชาวบ้านกันมีแต่มีแต่เป็นผู้มารับรองกันว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงของแท้ความจริงต่างๆที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทรงสั่งทรงสอนนี้เป็นของจริงทั้งนั้น เรื่องตายเรื่องเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องร่างกายเป็นคนละส่วนกันเรื่องบุญเรื่องกุศลที่จะมาเลี้ยงดูดูแลดวงจิตดวงวิญญาณบุญกุศลที่จะมาทำให้ดวงจิตดวงวิญญาณนี้เป็นเศรษฐีไม่ให้เป็นขอทานอันนี้เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นถ้าเราไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้ ยิ่งถ้าไปปรามาใหญ่ยิ่งยิ่งห า, หาว่าเป็นเรื่องงมงายขึ้นมาอันนี้แหละมันจะประกาศความงมงายของตนเองคิดว่าตัวเองฉลาดเช่นพวกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นี้บางทีก็ปรามารเรื่องศาสนา ว, ว่าเป็นเรื่องของงมงายพูดในเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยหลักวิทยาศาสตร์ก็เลยไปปรามาสว่าเป็นเรื่องของงมงาย เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี่เรื่องกฎแห่งกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้ายิ่งไปปรามานนี้ก็ยิ่งเป็นการปิดปิดทางของตนเองอย่างสิ้นเชิงไม่มีทางที่จะเข้าถึงความความรู้ความจริงของชีวิตได้เลยก็จะต้องรับผลของการปรามานในพระพุทธธรรมประสงค์ให้ติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นเอง ดังพวกเราเป็นชาวพุทธหรือเป็นผูท้ที่ได้มาเกิดในวงเมืองพุทธได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเรื่องราวที่พระพุทธศาสนาสอนเกี่ยวกับเรื่องดวงจิตดวงวิญญาณนี้ขอให้เราเชื่อเถิดรับประกันได้ว่าไม่ถูกหรอกแน่นอนขอให้เชื่อแล้วเพื่อ น, นำเอาไปพิสูจน์ไม่ให้ให้เพียงแต่เชื่อเฉยเฉย เชื่อเฉยๆเพียงอย่างเดียวนี้ยังไ ม, ไม่ไม่พอไม่เปิดไม่เกิดประโยชน์เชื่อแล้วต้องนำเอาไปพิสูจน์เชื่อว่ามีดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาดวงวิญญาณเวลาร่างกายตายไปดวงวิญญาณนี้ต้องอาศัยบุญกุศลที่จะเป็นเครื่องนำความสุขต่างๆมาให้กับดวงวิญญาณ พราะร่างกายที่เคยใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขนี้มันหมดสภาพไปแล้วเป็นซากศพไปแล้วไม่สามารถใช้ร่างกายไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆได้แล้ว <em S 1> ก็ต้องอาศัยบุญกุศลที่ได้สร้างไว้ในขณะที่ยังไม่ตายเท่านั้นถ้าไม่มีบุญมีกุศลก็ต้องไปเป็นขอทานต้องไปคอย รอรับบุญกุศลจากญาติพี่น้องหรือจากผู้ที่ใจบุญผู้ที่ใจบุญบางทีเขาก็อุทิศบุญให้ทั้งกับญาติพี่น้องและกับดวงวิญญาณที่ไรญ า, าติผู้ที่ไม่มีญาติที่จะอุทิศบุญให้อันนี้เป็นเรื่องความจริงที่เราต้องพิสูจน์ด้วยการทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรา ไม่ประมาทให้รีบสร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็จะได้มีบุญมีกุศลเวลาที่เราตายไปแล้วแล้วเราก็จะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าดวงวิญญาณกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันใจที่ใช้ร่างกายทาอะไรนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้เป็นสมอง ใจนี้ผู้คิดผู้รู้นี้เป็นดวงวิญญาณเป็นธาตุรู้เป็นผู้ที่มาเกาะติดกับร่างกายผ่านทางสายกระแสของวิญญาณทั้งห้าคือวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อรับรูปเสียงกลิ่นรสที่ตาหูจมูกลิ้นกายได้ไปสัมผัสแล้วส่งไปให้ใจใจนี่แหละเป็นผู้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่าง ตาหูจมูกนิ้นกายนี้ไม่มีความสามารถที่จะรับรู้เพียงแต่รับข้อมูลไปเท่านั้นเองเป็นสื่อเป็นสื่อรับรูปเสียงกลิ่นรสแต่ทวตานี้ไม่รู้ว่ากําลังเห็นรูปอะไรหูนี้ไม่รู้ว่าัได้ยินเสียงอะไรเพียงแต่รับรูปรับเสียงกลิ่นรสเข้าไปที่วิญญาณวิญญาณนี่แหละเป็นผู้ที่จะส่งไปให้ใจ ให้เป็นใจใช้ใจเป็นผู้รับรู้อีกทีหนึ่งด้วยสัญญาสังขารด้วยเวทนาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้ถ้าเราเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรีบกระทำสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งทรงสอนให้กระทำกันอย่าประมาทนอนใจให้เราคิดว่าวันเวลาของเรานี้มันสั้นลงสั้นลงชีวิตเราสั้นลงสั้นลง เวลาเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆรีบมาสร้างบุญสร้างกุศลกันได้แล้วทํางานทางนี้ให้เสร็จเสร็จแล้วจะสบายไม่ต้องมาคอยภาวะภาวนเหมือนกับการทําการบ้านเหมือนการเตรียมตัวสอบรีบทําการบ้านรีบดูหนังสือให้พร้อมเพื่อจะได้ไม่ต้องมามา ม, ามาติวเข้มในวันสองวันก่อนจะสอบ มันไม่ทันถ้าเราเตรียมตัวมาแต่เนิ่นๆพอใกล้วันสอบนี้เราก็สบายรอวันเวลาเข้าไปสอบได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเราจะทำได้ไม่ได้เพราะเราซ้อมเราเตรียมมาตลอดเวลาพอถึงเวลาก็เข้าไปสอบคําถามใดก็ตอบได้หมดเพราะเราเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนฉันใดเรื่องของดวงวิญญาณของพวกเราก็เช่นกัน เราต้องรีบเตรียมตัวไว้แต่ น, นั้นเนินเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาของร่างกายนี้มันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ mm hmm. เตรียมคอยสอนใจเตือนใจทุกวันว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไป mm hmm. เรากําลังทำอะไรกันอยู่ mm hmm. เรากําลังสร้างบุญสร้างกุศลตามที่พระเจ้าทรงสอนให้เราสร้างกันหรือไม่ mm hmm. ถ้ายังไม่ทำก็รีบทาเสีย ถ้ายัางไม่รู้ว่าบุญกุศลเป็นอย่างไรสร้างได้สร้างได้อย่างไรก็ต้องศึกษาบุญกุศลข้อแรกที่พระเจ้าทรงสอนให้เราสร้าง ก, กันก็คือการศึกษานี่ศึกษาพระธรรมคําสอนด้วยการอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ได้ของพระอนิยสงสารโกก็ได้หรือฟังเทศฟังธรรมก็ได้ ฟังเทศฟังธรรมจากพระสุปฏิปันโนพระอริยสง์สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราเรียนรู้วิธีสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆว่าเป็นอย่างไรนั่นเองงั้นบุญกุศลข้อแรกนี้ที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพยายามสร้างกันอยู่เรื่อยๆก็คือการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญ เกี่ยวกับเรื่องการฟังเทศฟังธรรมถึงกับกําหนดวันฟังธรรมขึ้นมาวันฟังธรรมก็คือวันพระนี่เองวันพระเราเรียกว่าวันธรรมมัศวะธรรมมัศวะก็คือการฟังธรรมให้ความสําคัญต่อการฟังธรรมอย่างยิ่งถึงกับต้องตั้งวันพระขึ้นมาเดือนละสี่ครั้งด้วยกันคือแบ่งเป็นครั้งละเจ็ดวันบ้าง8ดวันบ้างหวันบ้างตาม ปฏิทินของทางจันทรคติคือตามการโคจรของดวงจันทร์ที่มีการขึ้นมีมีวันขึ้นมีวันแรงวันที่พระจันทร์กําลังขึ้นเช่นตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่พระจันทร์กําลังขึ้นคือดวงจันทร์จะจะขึ้นจะจะสว่างขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็ขึ้นกี่ขั้มนะขึ้นเจ็ดขันะ้มใช่ไหมแล้วขึ้นหกํา้มนะสว่างหนกะ หกแล้วเหลืออีกเหลือเหลืออีถึงจะเต็มดวงความสว่างจะเต็มดวงก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มดวงก็สิห้าค่ำสิบห้าค่าก็แบ่งไว้เป็นสองตอน8ดค่ํากับเจดค่านี่นีวันขึ้น8ดค่าก็เลยกลายเป็นหนึ่งวันที่เรียกว่าวันพระพอขึ้นสิบห้าค่ำก็แบ่งก็เรียกว่าวันพระอีกวันหนึ่ง แล้วหลังจากพอขึ้นเต็มดวงแล้วก็เริ่มลดความสว่างของดวงจันทร์ก็จะค่อยๆลดลงทีละนิดเทียนิดแล้วก็เรียกว่าวันแรงแรมแปดขั้มก็พระจันทร์ก็เหลือครึ่งดวงพอแรมสิบห้าขั้มหรือสิบสี่ขั้มพระจันทร์ก็ดับหมดไม่มีแสงแสงจากพระจรันทร์ตอนนั้นพระจันทร์มืดนี่คือวันที่พระพุทธเจ้าทรงใช้กําหนด ให้เป็นวันฟังธรรมกันเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่ฟังธรรมแล้วจะไม่รู้เรื่องราวต่างๆเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าไม่ไปเรียนหนังสือนี้จะไม่รู้เรื่องของอะไรเรื่องของวิชาการต่างๆเรื่องเหตุการณ์ต่างๆว่าเป็นอย่างไรทาอย่างไรอะไรมาอย่างไรไปอย่างไรจะไม่มจะไม่รู้คนที่ไม่มีการศึกษาจึงเป็นคนที่ ไม่มีความรู้ที่จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนได้ <S 1> <1> <S แต่คนที่ได้ศึกษาได้เรียนนี้จะมีความรู้ที่สามารถจะเอาวิชาความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตน <S 1> <1> <S อันนี้ก็เช่นเดียวกันวิชาความรู้ทางธรรมก็เป็นวิชาความรู้ที่เราสามารถจะไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทางจิตวิญญาณกับดวงจิตดวงใจของพวกเรา เราจึงต้องพยายามฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยก็อย่างอาทิตย์ละหนึ่งครั้งตามหลักของอดีตในในอดีตนี้ไม่มีสื่อไม่มีการสั่งสอนทางอื่นไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เราสามารถฟังเทศฟังธรรมได้ทุกวันเลยเพราะว่าธรรมะที่แสดงไว้นี้สามารถเก็บบันทึกเอาไว้ได้ และเรามีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเช่นมีโทรศัพท์มือถือเราสามารถกดขึ้นมาดูมาฟังได้ตลอดเวลา <Yes. S 1> เอาเวลาที่เราไปใช้กับการดูหนังฟังเพลงดูเรื่องบ้าบอคอแตกต่างๆดูเรื่องที่ดูแล้วทำให้เราไม่สบายใจนี้อย่าไปดูมันดีกว่าเอาเวลาที่ใช้ไปกับการดูเรื่องราวเหล่านี้มาดูมาฟังเรื่องของธรรมะดีกว่า จะได้เรนได้ฟังธรรมได้เรียนรู้เรื่องธรรมต่างๆที่เรายังไม่รู้ว่าบุญกุศลมีกี่ชนิดมีอะไรบ้างแล้วจะทําอย่างไรอย่างนี้สู้มาฟังเทศฟังธรรมดีกว่าพอเราฟังแล้วเราจะได้รู้ว่าบุญกุศลที่พระเจ้าสอนให้เราสร้างนี้มีอะไรบ้างแล้วจะทาอย่างไรเพราะแรกก็ให้ฟังเทศฟังธรรมอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งตามหลักของ ของอดีตที่ไม่มีสื่อถ้าสมัยนี้ปัจจุบันมีสื่อถ้าจะฟังธรรมทุกวันก็ฟังได้ดีแต่ต้องฟังให้มันถูกกิจจลักษณะคือต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบอย่าใช้การฟังธรรมเป็นเหมือนกับเครื่องประกอบเสียงแบ็กกราวน์เวลาที่เราทำงานอะไรต่างๆอย่างนั้นจะไม่ได้ประโยชน์มาก เพราะใจเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับการฟังตลอดเวลาเพราะใจเราจะต้องคอยจดจ่ออยู่กับงานที่เรากาลังทำเึ่งกำลังทำกับข้าวกำลังเขียนหนังสือกำลังทำอะไรต่างๆแล้วเปิดฟังธรรมไปด้วยอย่างนี้จะได้ยินธรรมะไม่เต็มไม่เต็มสัสดส่วนประโยชน์จะไม่เกิดเต็มที่อันนี้ก็ไม่ห้ามไม่ปริเสธว่าดีกับฟัง ฟังเพลงฟังละครฟังการฟังข่าวฟังอะไรต่างๆฟังเรื่องราวเหล่านั้นเชื่อมาฟังธรรมดีกว่าแต่ถ้าจะฟังธรรมให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มร้อยควรจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือควรจะนั่งเฉยๆเหมือนตอนนี้อันนี้ญาติโยมฟังธรรมนี้ไม่ได้ไปทําอะไรกันนั่งเฉยๆแล้วก็ไม่คุยกันวาจาก็สงบ การกระทาทางกายก็สงบทางใจก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องธรรมที่เรากำลังฟังอยู่เพียงอย่างเดียว uh huh. ถ้าเราฟังธรรมแบบนี้แล้วเราจะได้ประโยชน์มากเราจะได้เรียนรู้วิธีสร้างบุญสร้างกุศลระดับต่างๆว่าเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลกี่ระดับแล้วสร้างอะไรก่อนอะไรหลัง uh huh. นี่คือประโยชน์ของการฟังธรรม ไม่มีข้อหา้าวว่าต้องฟังเพลงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งวันพระอย่างเดียวถึงฟังธรรมได้บางคนเข้าใจผิดเอ๊ะวันนี้ไม่ใช่วันพระฟังธรรมได้หรือฟังธรรมแล้วบาปหรือเปล่าเพราะเป็นไม่ใช่เป็นวันพระอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการฟังธรรมนี้เป็นบุญเป็นกุศลตลอดเวลายิ่งฟังมากเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นได้ความรู้มากไปเท่านั้นบุญกุศลนี้ไม่มีโทษมีแต่ มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์เั้นถ้าเรามีเวลาที่สามารถเอามาฟังทำได้มากได้น้อยเท่าไหร่ฟังไปเลยแต่ถ้าจะให้ดีฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบได้นี้ดีที่สุดจะได้ผลเต็มร้อยแล้วจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้ง่ายและรวดเร็วต่อไปอ น, นี่คือทามที่พระเจ้า บุญกุศลที่พูะเจ้าทรงสอนให้พวกเราพยายามทำกันให้มากๆพยายามถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังดูหนังดูละครดูเกมดูอะไรต่างๆพวกนี้มันไม่มีคุณประโยชน์อะไรกับจิตใจดูแล้วก็ผ่านไปแล้วก็หมดไปไม่มาทำให้จิตใจมีความนุ่มเย็นเป็นสุขแต่อย่างไร ไม่ทําให้ใจเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาแต่อย่างใดสู้ฟังเทศฟังธรรมกันดีกว่าหรือถ้าเราไม่มีเครื่องมือติดต่อทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถดูหรือฟังผ่านมือถือได้เราก็อ่านหนังสือธรรมะก็ได้หนังสือธรรมะก็ของพระพุทธเจ้าก็หนังสือที่คัดมาจากพระไตรปิฎกเช่นพระสูตรต่างๆมงคลละสูตรธรรมาจากกัปวัตนสูตร สติประฐานสูตรอันนี้เป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่เราสามารถยึดเป็นแนวทางของการปฏิบัติสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นกับใจของเราได้หรืออันหนังสือของครูบาอาจารย์ต่างๆพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระอาหารหันตาสาวกที่เวลาที่ร่างกายท่านตายไปแล้วกระดูก ข, ของท่านก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมา อันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านเป็นพระอารหันต์แล้วกระดูของคนธรรมดานี้เวลาตายไปก็จะผุพังไปไม่ไม่เป็นพระาธาตุขึ้นมาแต่กระดูของพระอรหันต์บางส่วนไม่ใช่ทุกชิ้นทุกกันบางส่วนจะมีเป็นพระาธาตุขึ้นมาเป็นเหมือนก้อนหินพระาธาตุก็คือก้อนหินนี่ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นกับคนธรรมดาเกิดขึ้นกับพระอารหรันตตสาวกเท่านั้น แสดงว่าพระรูปนี้ครูบาอาจารย์รูปนี้ท่านเป็นผู้มีธรรมมันสูงสุดเป็นผู้ที่สามารถสอนธรรมะให้กับผู้ศึกษาให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดอย่างแน่นอนไม่ต้องนั่งเลสงสัยนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะทำกันข้อแรกของการสร้างบุญสร้างกุศลเรากำลังทำอะไรกันอยู่เวลากำลังผ่านไปเรากาลังดูหนังฟังเพลง ดูละครดูกีฬาดูอะไรต่างๆดูไปแล้วเป็นยังไงเราดูมาตั้งแต่เกิดแล้วจนถึงวันนี้มันทำให้เราฉลาดขึ้นไหมมันทำให้เราเห็นดวงจิตดวงวิญญาณหรื อ, อยังมันทำให้เราเห็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากบุญกุศลหรื อ, อยังไม่มีทางได้เห็นเรื่องราวเหล่านี้เลยเพราะเราไม่ได้ดูไม่ได้ฟังธรรมะกันนั่นเองังนั้นอย่าไปสนใจกับเรื่องราวทางโลกเลย เรื่องราวทางโลกนี้เป็นเรื่องมายาเป็นของปลอมนั่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราว mm hmm. เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปเป็นเหมือนละครน้ำเน่าดูซ้ำซากอยู่นั่นน่ะมีแต่เรื่องซ้ำซากเรื่องโลกโกรธหลงเรื่องแย่งชิงกันเรื่องฆ่าฟันกันเรื่องอิจฉาริษยากันไม่ได้ทําให้จิตใจสงบมีแต่ทําให้จิตใจวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาสู้มา มาฟังธรรมดีกว่ามาศึกษาธรรมะกีกว่าถ้าทำให้จิตใจเราเย็นสบายถ้าจะสอนให้เรารู้จักวิธีที่จะสร้างบุญสร้างกุศลที่เราสามารถนาเราติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่เราตายไปแล้วนี่คือบุญกุศลข้อที่หนึ่งที่ชาวพุทธเราควรที่จะสร้างกันอยู่เรื่อยๆให้เป็นนิสัยฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆถ้าสามารถดูดูยูบได้ทุกวัน ก็ต้องดูธรรมะได้ฟังธรรมะได้พอเนนี้ธรรมะก็อยู่ใน youtube เหมือนกันอยู่ในเฟซบุ๊กเหมือนกันอย่าไปดูเรื่องนินทาการเลนกันเลยอย่าไปดูเรื่องแข่งรวยแข่งสวยแข่งงามกันเลยดูไปก็เท่านั้นเอาเอาสร้างสมมาแต่งให้มันดูสวยเท่านั้นเองพอพอผ่าออกก็มาข้างในก็มีแต่ของเละเทะทั้งนั้นมีตับมีไตมีไส้มีพุงมีปอดมีอะไรมีน้ํา น้ำเดือด น, น้ำหนองอะไรต่างๆของโตก็ปลกทั้งนั้นมาแข่งมาชว์กันทาไมเพียงแต่มาทำสัญญงสัญญกรรมหน่อยนั้นก็ดูแล้วตื่นเต้นตกใจกันไป น, น, นี่คืออย่าไปดูของพวกนี้ไม่เกิดประโยชน์เป็นของหลอกล่อเราให้เราหลงแล้วจะทำให้เราบ้าไปกับของเหล่านี้จะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาของดีของแท้ของจริง คือสัจธรรมของชีวิตของพวกเราทุกคนเรื่องของดวงวิญญาเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้เมื่อศึกษาแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติอีกขั้นหนึ่งถึงเราถึงเราถึงจะรู้ได้นการที่เราจะปฏิบัตินี้เราก็ต้องทําบุญอย่างอื่นก่อนบุญขั้นที่สองที่ บุญกุศลข้อที่สองที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นทํากันก็คือการทําบุญทําทานนีอ่อย่าเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเอาเงินนี้ไปไปเปลี่ยนเป็นบุญเป็นกุศลดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะต้องออกเดินทางกันนะอย่าเอาเงินเวลาเราไปต่างประเทศนี่เรารู้ว่าเราต้องมีเงินต่างประเทศนะ้เราต้องเอาเงินนี้ ไปเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศกันเพราะถ้าไม่เอาไปไม่เดี๋ยวเอาไปไม่มีเงินต่างประเทศไปเดี๋ยวไปเราจะลาบากเนี่ต้องเตรียมตัวไว้เปลี่ยนเงินตรากันนะเงินทางที่เอาไปใช้กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกับการเที่ยว ก, การกินการดื่มการเล่นการฟังการดูอะไรต่างๆอันนี้ลดน้อยลดให้มันน้อยลงไปตามลำดับ ตอนต้นอาจจะเลิกไม่ได้ก็ลดให้มันน้อยลงไปหน่อยก่อนลดทีละสิบเร์เซเพิ่มไปเรื่อยๆพอยิ่งทํามากเท่าไหร่ความอยากที่จะหาความสุขจังอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็รู้สึกเฉยๆกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่าความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานมันดีกว่ามันทําให้ใจอิ่มทาให้ใจสุขเนี่ย ใจนี้เริ่มเป็นสวรรค์เป็นเทพตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะมีบุญกุศลคอยสนับสนุนพอเราทำบุญทำทานได้แล้วข้อที่สาที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราพยายามหัดทำกันให้ได้ก็คือการรักษาศีลรักษาศีลห้าก่อนศีลห้าก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่โกหกหลอกลวงไม่เดิน ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่เดือดสุ่ายามเมาเพราะการกระทำบาปมันจะส่งดวงวิญญาณให้เราไปติดคุกติดตารางในโลกของในโลกทิพย์แทนที่จะไปสวรรค์ไปท่องเที่ยวกันก็ไปติดคุกติดตารางกันไปเป็นเปรตเป็นผีกันนั้นอย่าทาบาปถ้าไม่ไม่อยากจะไปติดคุกติดตารางหลังจากที่ตายไปแล้วอย่าทาบาปโดยเด็ดขาด พอเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราอยากที่จะศึกษาอยากจะเห็นเรื่องดวงวิญญาณกับร่างกายว่าเป็นคนละส่วนเราก็ต้องรักษาศีลเพิ่มอีกสาข้อเป็นถือเป็นศีลแปเพราะการถือศีลแปนี้มันจะทำให้เราตัดการทำกิจกรรมที่ทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้เพื่อที่เราจะได้เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติ เจรจิตตะภาวนานี้ให้เรามาหัดภาวนากันการภาวนานี้ก็มีอยู่สองระดับระดับแรกก็เรียกว่าสมถภาวนาทาจิตใจให้สงบต้องทำจิตใจให้สงบก่อนแยกจิตใจออกจากร่างกายก่อนให้รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวสำคัญตัวไหนไม่เป็นตัวสำคัญให้รู้ว่าตัวไหนเป็นนายตัวไหนเป็นบ่าวทำจิตใจใสงบก็จะเห็น ใจกับร่างกายแยกออกจากกันเห็นว่าร่างกายนี้รอคําสั่งรอรับคำสั่งจากจากใจถ้าใจไม่สั่งใจร่างกายมันก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นแต่พอใจออกจากสมาธิมาพอกลับเข้ามาสู่ทางร่างกายใจก็จะสั่งให้ร่างกายขยับลุกขึ้นขยับให้ไปทําอะไรต่างๆต่อไปน อันนี้ต้องฝึกให้ได้ก่อนด้วยการไปเปกวิเวกไปหาที่สงบอยู่คนเดียวแล้วก็ถือศีลแปำสวมมวตาหูจมูกนิ้นกายนี่งศีลแปก็เป็นการสัมมลูตาหูจมูกนิ้นกายไม่ให้ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี้มาให้กับการเจริญสติการที่เราจะทำใจให้สงบแยกออกจากร่างกายได้ เราต้องมีสติเป็นตัวตัวแยกเราต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆบังคับให้ใจอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดทุกิริยาบทร่างกายกำลันงนอนก็รู้ว่ากำลันงนอนเข้าดูมันพอมันลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ามันลุกขึ้นมานั่งพอมันยืนก็รู้ว่ามันยืนพอมันเดินก็รู้ว่ามันเดิน พอมันอาบน้ำก็รู้ว่ามันอาบน้ำน้างหน้าแปลงฟันก็ให้รู้อยู่กับงานที่ทำอยู่เพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เรื่องราวต่างๆไม่มีอะไรทีส่สำคัญเท่า ก, กับการมีสติคอยหยุดเรื่องหยุดความคิดต่างๆเพราะถ้าไม่มีสติหยุดความคิดแล้วจะไม่สามารถทาใจให้สงบเพื่อแยกใจให้ออกจากร่างกายได้ด อันนี้เป็นภารกิจที่สําคัญมากและยากมากสําหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมากอย่าท้อแท้มันไม่ใช่เป็นของยากแต่มันเป็นของที่เราจะต้องบังคับตัวเราให้ทำตนเองโดยปกติใจเราชอบเป็นอิสระชอบคิดเรื่อยเปื่อยชอบคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็สร้างอารมณ์ต่างๆให้กับตนเองบางทีถึงกับเป็นบ้าไปก็เพราะความคิดของตอนเอง บางทีก็ซึมเศร้าไปกับความคิดของตนเองดังนั้นต้องรู้จักควบคุมความคิดเหล่านี้มันไม่เกิดประโยชน์แล้วความคิดส่วนใหญ่มีแต่สร้างความทุกข์ให้กับใจของเราตอนนี้เรามาหยุดความคิดดีกว่าเพราะเวลาความคิดหยุดนี้มันจะปรากฏการที่แปลกประหลาดมาสัจรย์ใจขึ้นมาคือความนิ่งสงบของใจและความสุขที่เกิดจากความนิ่งสงบนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง นาตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกวบความสงบไม่มีพยายามฝึกสติให้ได้ตลอดทั้งวันจะฝึกได้อย่างได้ดีก็ต้องอยู่คนเดียวไปอยู่ที่เงียบเงียไม่มีใครมาบรบกวนไม่มีเรื่องราวต่างๆมาคอยบครบกวนใจเพื่อเราจะได้ตั้งสติให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอยู่ตลอดเวลาถ้ามีอะไรมากระทบปั๊บนี้มันจะดึงไปทันที มีเสียงเข้ามาปั๊บมันจะปรุงแต่งขึ้นมาทันทีเสียงอะไรดีไหมหนอะ่อยมีเสียงนี้เคยเสียงของใครคิดไปเรื่อยเปื่อยทันทีนั้นไปอยู่ห่างไกลจากเสียงแสงสีเสียงได้จะดีไปอยู่ที่สงบเงียมีแต่เสียงนกเสียงกาไม่เป็นไรเพราะของพวกนี้มันไม่ค่อยมีอารมณ์กับเราไม่เหมือนกับเสียงคนเสียงดนตรีอะไรพวกนี้พอได้ยินแล้วมันไปเลยโอ้คิดถึงความหวานในอดีตฟังเพลงนี้เคยมีความสุขมาก่อน เดี๋ยวก็เศร้าเลยอยู่คนเดียวเดี๋ยวอยู่ไม่ได้ <Yeah. S 1> ต้องไปอยู่ในที่เงียบๆไม่มีอะไรมาล่อ ล, ลวงใจให้ไปหลงไปหาความสุขอย่างรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราจะสามารถจเจริญสติได้ง่ายพอเรามีสตินี้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้เร็วนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเท่านั้นเองดูลมเข้าดูลมออกไปไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกไม่ต้องไปบังคับลม ลมสั้นลมยาวปล่อยมันสั้นมันยาวไปตามธรรมชาติมันหยาบมันละเอียดก็ปล่อยมันหยาบละเอียดไปมันหยุดมันหายไปก็รู้ไปรู้ว่ามันหายไปให้รู้เฉยเฉรู้อยู่ตรงนั้นอะรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะรวมแยกออกจากร่างกายไปพอมันถึงจุดนั้นแล้วมันเป็นจุดสุดท้ายที่จิตจะอยู่กับร่างกายชั่วคราวมันก็จะแยกออกจากกันจิตจะปล่อยวางร่างกายจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งศักแต่ว่ารู้ มีวเบกขามีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเมื่อถึงจุดนั้นแล้วจะไม่สงสัยแล้วเรื่องราวต่า ง, างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้เป็นอย่างไรเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงจะไม่สงสัยในพระพุทธรพรธรรมภสงฆ์ในระดับหนึ่งในระดับของสมาธิเชื่อแล้วว่าใจกับใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังสละร่างกายยังไม่ได้ การจะฉละร่างกายได้อย่างถาวรนี่ต้องสละขั้นต่อไปคือขั้นปัญญาคือหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องสอนใจให้อย่าไปยึดไปติดกับร่างกายร่างกายมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายถ้าไปยึดไปติดมันจะทําให้เราทุกข์เวลามันแก่มันเจ็บมันตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายอันเรื่องของธรรมชาติเราไปห้ามมันไม่ได้แต่เราจะไม่ทุกข์กับมันได้ ถ้าเรามีปัญญาเห็นร่างกายว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาแล้วต่อไปเราก็จะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้เพราะความทุกข์เกิดจากความหลงเกิดจากความอยากไปยึดกับสิ่งต่างๆที่เราเคยใช้มันให้ความสุขกับเราแต่เรามองไม่เห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันจะต้องกลายเป็นความทุกข์ไม่ช้าก็เร็ว แต่ถ้าเราคิดด้วยปัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนต่อไปเราก็จะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรไม่หวังพึ่งอะไรมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเราอาศัยความสงบอาศัยสติอาศัยปัญญานี้เป็นเครื่องมือแทนแล้วเราก็จะสบายท่านขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และขณะที่ร่างกายนี้ตายไปใจเรานี้จะเป็นสุกโตเป็นใจที่อยู่ในสุขติขั้นสูงสุดก็คือพระนิพพาน เป็นบมมาลมะนบาลมมะสุขความใจที่มีการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างเต็มที่แล้วจะเป็นใจที่มีความสุขระดับของพระนิพพานและเขาไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกต่อไปด้วยเพราะธรรมชาติที่ดึงให้ใจมากับมาเกิดนี้ได้ถูกทําลายด้วยสติด้วยปัญญาให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วนั่นเอง นี่คือบุญกุศลต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามันสร้างกันอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้เวลามีค่าผ่านไปโดยไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลวันเวลาผ่านไปเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังสร้างบุญสร้างกุศลกันหรือไม่ให้เราลึกถึงอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ไม่ประมาทแล้วเราจะได้รีบสร้างบุญสร้างกุศลที่เป็นเครื่องที่จะเป็นที่พึ่งของใจของเราต่อไป หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุรปาปริปุเรนติสาขลงเอวาเมวะอิโตชินงังเปตานางังอุปกปติอิชิตังปัิตังตุมหังคิด ป, ปะเมวัสมิจตุ สัพเพปุเรนตูสังกปายันโทปนาราสุยาามณิโชติราสุยาาสัพพิติโอวิวาจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตปวตวันตาโยสุขีทีขายุโกภวะ าพิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตาโรธรรมวาทานติอายุวโนโอสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม ก็เชิญถามได้ในช่วงนี้จะถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้าทาง Facebook หรือทาง YouTube ได้แล้วทางคณะทีมจะเอานำมาอ่านถามวันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ ค่ะผู้รับฟังนะคะจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ626ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์2244ท่าน YouTube d กเตอร์วีแช131ท่านวิทยุออนไลน์12ท่าน c l u b h o u s ์9ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ119ท่านรวม 1,141 ท่านค่ะโอเคมีคำถามอนะไรไหมยังไม่มีนะ คุณอยากถามคำ Nothing. Okay. คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะข้อที่หนึ่งอาศัยกิเลสละกิเลสอาศัยตัณหาละตัณหาหมายความว่าอย่างไรคะไม่ถูกหรอกต้องอาศัยทำละกิเลสกิเลสละกิเลสไม่ได้หรอกกิเลสมาชวนเป็นเลาด้ดยกันเลยจะไปละมันได้ไงเข้าใจผิด คิดว่าความอยากไปไปนิพพานนี้เป็นกิเลสไม่ใ ช, ใชนะ่ความอยากปฏิบัติทมความอยากจะนั่งสมาธินี่เป็นธรรมไม่ใช่เป็นกิเลสต้องเอาธรรมมาละกิเลสไม่ใช่เอาความอยากไปเที่ยวมันละความอยากไปเที่ยวมันละไม่ได้นะอะมันอยากจะเที่ยวก็ไปไปกับมัน vocês, มันก็เที่ยวกันจนลงรกไปด้วยกันทั้งคู่ laut, นะไม่ได้นะเข้าใจต้องเอาธรรมมา ธรรมกับกิเลสนี้เป็นคู่ต่อสู้กันถ้าธรรมมีกำลังมากกว่าธรรมก็ชนะถ้าธรรมมีกำลังอ่อนกว่าธรรมก็แพ้อย่นต้องพยายามสร้างธรรมให้มีกำลังมากกว่ากิเลสแล้วกิเลส ก, ก็จะแพ้กิเลส ก, ก็จะหมดไปจากใจต่อไปข้อที่สองค่ะการอยากมาฟังธรรมกับพระอาจารย์เป็นกิเลสหรือไม่คะไม่เป็นยังอย่างที่บอกแล้วการอยากฟังธรรมอยากปฏิบัติธรรมอยากหลุดพ้นจากกิ การเวีนนว่ายตายเกิดนี้เป็นธรรมเป็นเรียกว่ามาัเป็นสัมมาทิฏฐิข้อที่สค่ะการเดินทางมาฟังธรรมที่น่ากุติจะได้อัธรสมากกว่าที่ฟัง YouTube หรือ Facebook เพราะอะไรคะอาจจะเป็นเพราะบรรยากาศเวลาเร า, าอยู่ที่ค่อนข้างจะสงบปรจาจจกสิ่งรบกวนใจแล้วเวลาที่เรานั่งฟังทุกคนก็นั่งอย่างสงบ มันจะทำให้เรามีความควบคุมใจเรามากขึ้นคือบางทีถ้าเรานั่งคนเดียวไม่มีใครนั่งไม่ใครมีใครเห็นเราบางทีเราเบื่อแล้วก็อาจจะขยับแข้งขยับขาอาจจะนั่งแล้วก็ล้มลงไปนอนฟังต่อแต่ถ้าเรามาฟังอยู่ในที่สาธารนณะที่มีคนอื่นเขานั่งฟังด้วยมันก็ต้องบังคับให้เราต้องทนนั่งไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เรา สามารถทำสมาธิควบคู่ไปกับการฟังธรรมได้ก็จะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะถ้าเราอยู่ตางกำพังนี้เราจะนั่งชั่วโมงนี้ไม่ได้แต่ถ้าเรามาฟังธรรมนี่เราจะนั่งฟังได้อย่างาไดาใจเพลิดเพลินคำถามจากคุณ น, นันทีค่ะ ถ้าเห็นสาวขาวสวยนุ่มน้อยอวดผิวกายกระทบใจแล้วมีความเข้าใจในใจไม่กระเพื่อมไม่ต่างกับเห็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่บนเขียงถือว่าเป็นการเจริญมรรคอยู่ไหมครับถ้าใจเราสงบไม่ไม่ไม่เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาก็ถือว่าจเจริญมรรคเองค่คำถามจากคุณ The Multi v e r s l Unity วิญญาณเร่ร่อนเหมือนผู้ลี้ภัยทางจิตวิญญาณหลังร่างกายตายเขาอยู่ในลักษณะใดบ้างครับจึงต้องขอบุญอุทิศก็หิวโหยไงใจไม่มีความสุขใจมีแต่ความหิวอยากจะหาความสุขแต่ไม่มีความสุขในตัวเองเพราะขาดเหตุปัจจัยที่จะทําให้ใจมีความสุขก็คือบุญกุศลเองคําถามจากคุณ น, นิพนธ์จิตใจกับดวงวิญญาณเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมครับ อันเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนสถานภาพเวลาอยู่กับร่างกายก็เหมือนกับเป็นสามีภรรยากันผู้หญิงเขาก็จะเรีย ก, กว่านางพอเวลาแยกออกจากกันก็กลายเป็นนางสาวหม่คำถามจากคุณสุจิราที่วัดกับเรียนถามพระอาจารย์ที่วัดมีรับสอนวิปัสสนากรรมฐานไหมคะก็สอนอยู่นี่ไงมาฟังเทศธรรมนี่ก็สอนสอนทุกอย่างวิปัสสนา สอนอะไรแล้วแต่แล้วแต่คนสอนอยากจะสอนสอนเรื่องอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ติดตามฟังไปเรื่อยๆนี่อันนี้ก็เป็นการสอนคำถามจะคุณโสภิตโยมสวดมนต์แบบออกเสียงมาหลายปีทุกครั้งที่สวดมนต์เนี่ยการหาวทุกครั้งแต่นั่งสมาธิไม่เป็นอะไรหากสวดมนต์แบบในใจไม่ออกเสียงไม่หาวกราบเรียนถามพระอาจารย์เราควรทําอย่างไรไม่ให้หาวคะ อ่าวก็สวดแบบไม่ออกเสียงสิถ้ามันไม่หาวก็ไม่จำเป็นจะต้องออกเสียงกนะารสวดมนต์นี่เป็นการเจริญสติไม่ออกเสียงได้ยิ่งดีจะได้ไม่ไปบรบกวนคนอื่นคำถามจากคุณแบมแบมค่ะเวลาสวดมนต์ไหว้พระกราบระลึกบุญคุณพระรัตนนาฏยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทวดาพระมหากษัตริย์เรียงลาดับแบบนี้ถูกต้องไหมคะ ก็แล้วแต่เราจะมียระดั บ, บยังไงก็ได้นั้นเน่แล้วแต่คำถามจากคุณเบนจามากค่ะกับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะขาอนุญาตสอบถามถ้าจะมาฟังธรรมมาสดเข้ามาเลยใช่ไหมคะหรือว่าต้องนัดหมายคะก็มาวันที่มีการกำหนดการมีการแสดงธรรมก็คือวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการแล้วก็วันพระสามารถดูตาราง ถ่ายทอดสดได้ในเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติพอไปดูอยากจะรู้ว่าไหนมีเทศวันไหนก็ก็มาก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงจะได้มีหาที่พักที่นั่งอะไรได้จะเริ่มเทศตั้งแต่สองโมงไปถึงสามโมงหลังจากนั้นก็จะมีการถวายข้าวของเสร็จแล้วก็จะมีการถามตอบคำถามอย่างที่กำลังทำอยู่ในคณะนี้ไปจนพอสบควรแก่เวลาก็จะเลิกกัน คำถามจากหน้ากุติค่ะข้อหนึ่งจิตชอบการปฏิบัติธรรมแต่นิสัยใจร้อนเอาเรื่องคนอะไรไม่ได้ดังใจหน่อยก็เอาเรื่องต้องแก้ไขอย่างไรคะตอนโกรธพุธโทโธก็ลืมหมดค่ะก็ต้องพยายามฝึกพุพโทโธบ่อยๆไม่ให้ลืมพอเวลาเกิดใจร้อนขึ้นมาก็ต้องใช้พุโทโธดับมันได้พุโทโธนี้เป็นของเย็นพอใจร้อนก็รีบท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวใจก็กลับมาเย็นต่อ ข้อที่สองลูกน้องทำความผิดแล้วชอบโกหกเรารู้ทันก็จะโกรธขึ้นมาเขาคงกลัวเราจึงโกหกแต่พอยิ่งโกหกเราก็ยิ่งโกรธต้องวางใจอย่างไรคะก็ต้องวางใจว่าเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาชอบโกหกก็เป็นนิสัยของเขาแต่เราสามารถปรับความเข้าใจกับเขาได้ว่าถ้าเราจะคบกันจะอยู่ด้วยกันเราก็ต้องไม่โกหก แล้วก็ต้องมีการคล้ายๆว่าแจ้งว่าถ้าทำโกหกบ่อยๆนี่อาจจะมีมาตรการลงโทษหรือถึงกับแยกทางมันไปเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่เกิดประโยชน์คนที่โกหกข้อที่สพอปฏิบัติธรรมแล้วคิดถึงความตายจะรู้สึกกลัวมากไปเผลอคิดว่าหากสามีตายจะทำอย่างไร ก็ยิ่งกลัวไปใหญ่คิดอยากตายก่อนสามีกลัวสามีตายก่อนต้องวางใจอย่างไรคะก็หยุดคิดความคิดเหล่านี้ก่อนแสดงว่าใจเรายัางอ่อนแอมากต้องสร้างกำลังใจให้กับใจด้วยการเจริญสติให้มากก่อนพอคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วทำให้ไม่สบายใจก็เรีบกลับมาหาพุโทโธแทนต้องพุโทโธพุธโทโธลดสวอิติปิโสไปทำให้ใจ เย็นใจสงบ ก, ก่อนฝึกไปก่อนฝึกให้ใจมีความสงบมากขึ้นแล้วค่อยลองกลับมาพิจารณาใหม่ถ้ายังกลัวอยู่ก็ต้องกลับมาทำสติใหม่ทำใจให้สงบใหม่ก่อนข้อที่สี่ค่ะพระโสดาบันไม่กลัวหากตัวเองตายแล้วท่านกลัวคนอื่นตายไหมคะท่านจะเสียใจไหมคะหากคนในครอบครัวจาไปไม่มีใครรักใครเท่ากับรักตัวเองเหรอคนอื่นตาย กับเราตายนี่ถ้าให้เลือกให้ใครตายก่อน mm hmm. ทุกคนก็บอกให้เขาตายก่อนใช่ไหมเรื่องอะไรให้เราตายก่อน mm hmm. องนั้นถ้าเราไม่กลัวตายของในตัวเราแล้วเรื่องคนตายคนอื่นเราก็ไม่กลัวเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อน จากคุณสุกัญญาค่ะ <c oughs> เวลานั่งสมาธิกำหนดพุทโธสักพักใจจะฟุ้งไปว่าไปกราบครูบาอาจารย์นำของไปถวายวัดนั้นวัดนี้ไปประจำเพราะเคยไปประจำต้องทำอย่างไรคะเพราะไม่พุโทโธก็ต้องกลับมาที่พุโทโธถ้าพุโทโธมันทำให้เราลืมก็ลองใช้สวดเอตติปิโสไปก่อนอตติปิโสมันอาจจะต้องบังคับให้เราใช้สติมากขึ้น ต้องท่องเอตป e ิโสพระวาอะหังสัมมาสัมพุทโธไปจากคุณหญิงอย่างการภาวนาพุทโธพอฟื้พอฟุ้งก็นึกคำพุทโธหนึ่งพุทโธสองพอฟุ้งก็นึกคำพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วแต่จะนึกคำออกในการนั่งสมาธิเพราะการเปลี่ยนคำภาวนาก็ช่วยให้มีสติได้นานขึ้นการนึกคำสลับแบบนี้ได้ไหมคะ ก็ได้ในเบื้องต้นแต่ในที่สุดก็ต้องอยู่กับคําเดียวหรืออยู่กับเรื่องเดียวถ้าตอนต้นจิตยังฟุ้งอยู่ mm hmm. ก็จจะต้องใช้หลายเรื่องใช้ส่วนมนก็ได้พุโทโธตโมสังโคก็ได้เพราะถ้าอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวมันไม่ยอมอยู่แต่ต่อไปพอมันเริ่มสงบแล้วก็ดองอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวคําถามจากคุณโบคุณพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคุณหมอให้รักษาตามอาการทําใจอย่างไรดีคะ ทำใจเฉยๆเลยสิเราไปทําอะไรได้เหรอใช่ไหมเขาจะเป็นเยาตายเราก็ไปช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะขนาดหมอยังช่วยไม่ได้แล้วเราจะเก่งกว่าหมอเราต้องทําใจยอมรับว่าทุกคนเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาบเราอาจจมาสอนตัวเราแล้วก็ได้ว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนพ่อ้เราต้องตายเหมือนกันเราจะได้ไม่ประมาท รีบปฏิบัติทำเพื่อให้ใจเราเข้มแข็งพ่าเวลาเกิดขึ้นกับเราเราจะได้ทําใจได้คําถามจากคุณปรีชาค่ะอยู่กับผู้รู้เห็นความคิดกับร่างกายแยกจากผู้รู้แล้วขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากท่านในการปฏิบัติครับอยู่กับผู้รู้แต่ยังไม่เห็นจิตหรือใจเกิดดับครับไม่รู้จ้าว่าอยู่กับผู้รู้ยังไงถ้าอยู่กับผู้รู้จิตมันต้องนิ่งสงบเป็นสมาธิ ถึงจะอยู่กับผู้รู้จริงๆแต่ถ้าอยู่กับผู้รู้ด้วยคำนึกคิดนี่ยังเป็นความไม่ใช่เป็นความจริงเกิดจากความจินตนาการของเราอยู่ยังต้องให้มันเจอผู้รู้จริงๆจากการนั่งสมาธิจากคุณน้ำฝนค่ะลูกที่เกิดมาดือ้อโจนเถียงพ่อเถียงแม่เป็นเพราะเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเรามาเกิดไหม่เจ้าคะและต้องเลี้ยงอย่างไรให้เขาเป็นคนดีเจ้าคะ อ๋อมันเป็นนิสัยของเขาเนี่ยชาติตอนๆเขาเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเขาชอบดื้อชอบเสียงพ่อเสียงแม่เราก็ต้องสอนเขาตั้งแต่เขาเป็นเด็กนะแต่ว่าการเทียงผู้หลักผู้ใหญ่นี้ไม่ถูกไม่ดีเราเป็นเด็กตั้งว่านอนสอนง่ายสอนเขาไปถ้าเขาฟังเขาปฏิบัติได้ก็ดีเรงนก็ดีกับตัวเขาเองเลยแต่เขาไม่ฟังเขาอยากดื้อก็ต้องปล่อยเขาไป แล้เดี๋ยวเขาก็จะเห็นผลของการดื้อของเขาเองว่าจะพาเขาไปสู่สิ่งที่ไม่ดีต่อไปเพราะสิ่งที่พ่อแม่สอนนี่เป็นสิ่งที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเขาอยากจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ห้ามเขาไม่ได้คำถามจากคุณ Relaxing Bliss การถือศีลแปดอย่างเคร่งครัดหลังเที่ยงแล้วรับประทานอะไรได้บ้างครับโอ้ มันองจะพูดยังไงมันของกินได้ก็มีเยอะของกินไม่ได้ก็มีเยอะโดยหลักก็คืออะไรที่เป็นอาหารนี่กินไม่ได้อะไรที่ไม่ใช่เป็นอาหารกินได้เป็นถ้าเป็นยาเป็นอะไรนี่กินได้ของนี่ก็ถือว่าเป็นยาพวกสมอดองอะไรต่างๆันี้กินได้เลอน้าผลไมา้ก็ดื่มได้แล้วก็เครื่องดื่มก็ดื่มได้น้าชากาแฟอะไรอย่างนี้แต่ไม่ให้ใส่นมนมถือว่าเป็นส่วนของอาหารอหนึ่ง อะไรที่เป็นอาหารกินไม่ได้แต่อะไรที่ไม่ใช่เป็นอาหารก็กินกันหนึ่งได้และเวลาที่ยังดูที่นาฬิกาหรือดวงอาทิตย์ครับสมัยนี้เราใช้นาฬิกากันเราก็ดูนาฬิกาเพราะมันเยอเกิดกว่า น, นี้มีฝนฟ้าขึ้นมาจะไปดูตรงไหนคำถามจ้คุณทิติชยาถ้าเราเมตตาสัตว์ที่เราไม่ได้เลี้ยงแสดงว่าภายในใจเรามีเมตตาใช่ไหมคะ ถ้าเลี้ยงใครก็มีเมตตาทั้งนั้นน่ะคำถามจากคุณสุทิน <S <S ผมสวดมนต์ทุกวันก่อนนอนนั่งวิปัสสนาทุกวันประมาณตีหนึ่งกว่าทุกวันวันไหนไม่สวดมนต์และไม่นั่งวิปัสสนาจะรู้สึกไม่สบายใจมากๆต้องลุกขึ้นมาทำก็จะสบายใจเพราะอะไรครับเพราะเราเคยชินกับการทำเหมือนกับเคยชินกับการเปนการอะไร พอเวลาถึงเวลาไม่ได้กินมันก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาคำถามจากคุณนวินจิตอยู่ในจั ก, กราวาลควอนตัมหรือโลกทิพย์กายอยู่ในโลกนี้สื่อสารกันผ่านสมองกิเลสเหมือนเป็นเมฆหมอกที่ปรุงแต่งทำให้การสื่อสารผิดเพี้ยนไปใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกการสื่อสารไม่ได้ผ่านทางสมอง ผ่านทางตาหูจมูกนิ้งกายรูปเข้ามาทางตาแล้วก็ไปส่งไว้ที่ใจเสียงกลิ่นรถก็เข้ามาที่หูที่จมูกแล้วก็ส่งไปที่ใจแล้วใจก็เป็นผู้ที่จะมาวิเคราะห์ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรถอะไรบ้างพอวิเคราะห์เสร็จก็จะเกิดเวทนาความรู้สึก ข, ขึ้นมาสุขบ้างทุกบ้างถ้าไปเห็นรูปที่วิเคราะห์ว่าไม่ดีก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่เห็นรูปที่ดีก็เป็นความสุขขึ้นมา ส่วนกิเลสนี่เป็นผู้ที่มาคอยหลอกใจให้ไปติดกับรูปเสียงกลิ่นรสให้ไปยินดีให้ไปยินดีร้ยายกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วทําให้เกิดความอยากแล้วเกิดความอยากก็ทําให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาต่อไปคําถามจากคุณจวนจุธาทิพย์ค่ะการนั่งสมาธิเราบริกรรมพุทโธพุทโธและต้องคิดว่าตั้งจิตไว้ตรงที่ไหนก่อนหรือมไม่คะไม่เราให้อยู่กับคําพุทโธไป ถ้าเราใช้พุโทโธไม่ต้องไปตั้งไว้ที่ไหนให้ตั้งอยู่ที่พุโทโธให้อยู่กับพุโทโธไปมีคอมเมนต์ค่ะทุกใจกับเรื่องทุกทุกใจกับเรื่องครอบครัวครับอยากค่าตัวตายถ้าตัวตายก็ไม่ได้แก้ความทุกข์ใจหรอกทุกข์ใจเก็จากความอยากอยากได้สิ่งที่เราไม่ได้ก็เลยทุกข์ใจถ้ามันอยากให้ทุกข์ใจหายก็หยุดความอยากนั่งเสียเท่านั้นเองยอมรับกับสภาพมันมันเป็นอย่างนี้ อยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่มันทุกข์ใจเพราะอยากแล้วมันไม่ได้ดังใจอยากคำถามจากคุณ The Multiversal Unity สายวิญญาณเหมือนที่ฝรั่งศึกษา near death experience ไหมครับบางท่านบอกตอนตายเหมือนเดินในถ้ำกราบขอบพระคุณครับเราก็ไม่ได้ศึกษาเราไม่สามารถที่จะยืนยันได้ ทน้องถามหด้าหมดแล้วโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมามได้นะถ้าไม่มีก็จะคิดว่ายุติการสนทนาทรรมกันไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ได้ยินได้ฟังไปพินิษพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ